หลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายแต่มาก็เกือบจะสุดท้ายด้วยกันเมื่อคืนเมื่อคืนในความจริงมันหลับแต่ว่าท้องมันควรเลยหลับตื่นแล้วก็หลับไม่ลงวันนี้ก็ขอแนะนําในการเจริญกรรมฐานธรรมดาท่นพุทธบริ ษ, ษัทอาจะเป็นเรื่องเล็กๆล็กน้อยแต่ที่จะในสิ่งนี้เป็นประโยชน์จะได้เข้าใจ การจะเริมกับมาฐานเขาบรรดาธรรมพุทธบริษัททุกคนให้สนใจเรื่องศีนให้มากเพราะศีนนี้เป็นเบื้องต้นที่มีความสําคัญมากถ้าศินบกคร่องสมาที่กบกครองด้วย <c oughs> ถ้าศินปกติสมาธิก็ทรงตัวเพื <c oughs> ่อหากว่าในฐานะที่พวกเราเราพุทธบริษัทท่านผู้ใดยังมีอารมณ์ไม่สามารถจะทรงอารมณ์โสดา บ, บันได้ เรื่องการบกพร่องในสินย่อมมีไปของธรรมดาการบกพร่องในสินก็ขอจึงจะเผยให้มากเกินไปเวลาก่อนจะหลับให้ทบทวนเรื่องศีลว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจึงกว่าจะถึงเวลาเราเข้านอนสิลข้อไหนบกพร่องบ้างเฉพาะสินห้ารักษาสินห้าให้ค่อยๆให้กปิดเพื่อพิจารณาเรื่องสินห้า จะรักษ า, าสินแปลให้ใค่คนนึ่สินแปลว่าสินที่ขาบทใดบกคร่องบ้างไอ้ไม่บกคล้องบกคล้องพ่อะไรเป็นเอตก็ตั้งใจว่าวันต่อไปเราจะไม่ยอมบกคร่องในสินพอตื่นขึ้นมาเช้าตอนเช้าตรู่และตอนเช้าก็ตามตื่นขึ้นมาก็คิดตัวสินว่าสินที่เราจะรัามีกีจสินาบทเราวันนี้เราจะไม่ยอมคล้องในสินได้ขาด ทำยานี้ทุกวันการบกพร่องย่อมมีบ้างเมื่อใข้คนบ่อยๆสินจะบกพร่องน้อยลงไปนาข้าวถ้าถึงวิสุทธิสินจะไม่บกพร่องสินที่ต้องทิ่ขาบทข้อก็ะดาแต่พุทธบริษัทโปรดทราบโดยพ่ออย่างยิ่งสินห้าต้องอาศัยเจตนาเป็นสำคัญเราตั้งใจทำลายสินยินยาขาด ถ้าไม่มีเจตนาในการตั้งเผลออันนี้สินไม่ขาดทราบโทษตามนี้นะก็อย่าไปโทษตัวมากเนนา ก, กินไปวันที่โทษตัวมากเกินไปอย่างวันนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งเสีปัญหามาถามว่าขน ม, มก็ดีอาหารแกงก็ดีพี่ก็ใส่สุราเจือปนไปด้วยคนรักษาสินสินจะบกพร่องไหมเขาถามว่าสินจะขาดไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าสินไม่ขาด สินที่ขาดได้สุราต้อต้องมีสิ่นแล้วก็มีรถมีรถเป็นรถสุราและมีสิ่นเป็นกลินสุราอยู่ด้วยถ้าก็ประสมเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับการปรงอาหารก็ดีเพื่อประโยชน์กับยายก็ดียานี่สินไม่ขาดแื่สิ่งที่สินไม่ขาดที่ว่าเราไประแวงคิดว่าสินจะขาดเราเออใต้เยาว์ใจคิดว่าเรากินอาหารนี้ก็ใส่สุรา กินญาดีเขาบอกสมชราอาจจะบกก้องศีนาจจ่าจะขาดก็ได้ใจเศร้าหมองอาศัยใจเศร้าหมองนิดเดียวเท่านี้ลงนรกได้ถ้าท่านศีนไม่ขาดเข้าใจเพืงความว่าเขาบรรดาทรรมพุทบริษัทถ้าจะรักษาศีนให้คิดว่าเข้าใจตามความไป็นจิว่าศีนจะขาดเพราะการตั้งใจกระทาแล้วก็ทําสําเร็จผลตามนั้นนี่เรื่องศีลนะถ้าศีนทรงตัวดีแล้วเรื่องเขาสมาธิ วันนี้ก็ขอพูดสั้นๆย่อๆเสืพระพูด ย, อยอ่อๆแต่ละเรื่องบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เข้าใจบางท่านคิดว่าเราทำสมาธิใช้เวลาเล็กน้อยนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีบ้างบางทีก็ไม่ถึงนาทีบ้างทีก็เ ค, เคลื่อนไปอย่างนี้อาจจะไม่มีอานิสงส์อาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ความจริงการทำสมาธิก็บบรรดาเจพุทธบริษัท สมาธิจริงๆท่านเรียกเป็นสามอย่างคือหนึ่งคณิกาสมาธินั่นแปลว่าสมาธิเล็กน้อยใช้วเวลานิดหน่อยก็เคลื่อนไปกรณีสองอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่มีปีติเป็นพื้นฐานมีจิตใจชุ่มชื้นทรงตัวนิ่นานหน่อยก็เคลื่อนไปเป็นสมาธิที่สามคืออวบนาสมาธิสมาธิมัน่นคงอันนี้เป็นชายสมาบัติ การกินสมาธิทุกเมื่จะเป็นสมาธิเล็กน้อยเป็นคณิกาสมาธิคําว่าคณิกาสมาธิก็เป็นอย่างนี้ธาตุบรรดาญาโยมพระทบิษัทกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกรู้เข้ารู้ออกแบบนี้แม้แต่นิดหน่อยขณะที่รู้ลมเข้าลมออกก็ดีจิตใจไม่ยุ่งกับลมอื่นรู้เฉพาะลม ภาวนนั่นเี่ยวจิตมีสมาธิใ น, นอนปาปานุสิกรรมฐานถ้าท่านภาวนาด้วยหรือว่าขณะภาวนาเริ่มลมหายใจเขาออกจะรู้คำภาวนาขณะใดที่รู้คำภาวนาดุจอารมณ์อืนอนอ่นไม่เข้ามาแย่งอารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกขณะนั่นเชี่ยวจิตมีสมาธิแต่ก็มันจะทรงตัวได้เล็ก น, น้อยแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ท่าเรียกว่าคาณิกาสมาธิ ไอ้จะถามว่าคณิกาสมาธิที่เป็นฌานโลกียังไม่ถึงขั้นฌานเป็นการเตรียมตัวเพื่อฌานโลกียนนี้จะมีส่งถึงขั้นไหนก็ขอตอบว่าถ้าขณะที่บรรดาท่านจะตายถ้าจิตใจเราท่านนึกถึงส่วนที่เป็นบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนึกอยู่นึกแล้วมนเป็นสมาธินึกว่าเราเคยให้ทานกับคน นึกว่าเราเคยถวายทานกับพระนึกว่าเราเคยรักษาศีลนึกว่าเราเคยไหว้พระบูชาพระก็ตามนึกว่าส่วนเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่เพียงเล็กน้อยจิตก็จะทรงตัวในได้ของกุศลในกาลังใจนึกว่าเดี๋ยวจิตก็ผ่านไปสู่อารมณ์อื่นจิตอ่านจะตกเป็นท้ายของทุกเวทนาในสมัยก่อนนึกถึงพระนึกถึงทานนึกถึงการฟังเทศอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ควนึกถึงคําาวนาอย่างใดอย่างหนึ่นงโดยเฉพาะนึกได้นิดเดียวทุกเวทนาเขาครอบความเจ็บม้วนปวดนีไ <c oughs> อจิตก็ไปยุ่งกับเจ็บกับปวดพอเจ็บปวดคลายตัวนิดหน่อยก็ น, นึกขึ้นใหม่อย่างนี้สลับกันไปท่าการอย่างนี้ในบรรดาญาติโยม พ, พุทธบริษัทเขาถือว่าบาปแทรกไม่ได้เวลาที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมันไปยุ่งกับปวดก็ไม่นึกขึ้นบาป เวลาปวดใครตัวลงมานึกถึงคําภาวนาและนึกถึงบุญที่เราเคยทําอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เน้นบาปจิดน้อมอยู่ในด้านกุศลด้านเดียวถ้าลบจิตแค่นี้ท่านตายไปจากความเป็นคนอย่างนี้เกิดเปรตเทวดาบนสวรรค์ขั้นชั้นกลามาประจรบางชั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นลูกเทวดาและวผู้เหมือนราเทวดาได้แน่นอนถ้าจะเป็นอาการเสตียวดาก็ต้องดูอาการรู้จิตที่นึกถึง ถ้เวลานั้นจิตนึกถึงพระนึกถึงทานการบรรจาที่ถวายกับพระจะนึกว่าเราเคยฟังเทศเรานึกว่าเราเคยบูชาพระอย่างนี้ถ้าตายในช่วงนั้นจะเป็นเทวดาจะนายเป็นอากาศพรเทวดาทันทีถ้าจิตน้อมต่าลงมาคิดว่าเราเคยให้ทานกัตริย์ให้ทานกับคนคนที่รับมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างมีธรรมบ้างไม่มีธรรมบ้างให้ทายกับสัตว์บ้าง ถ้าจิตน้อมถึงในสมาธิแั่นกุศลขั้นนี้ก็เกิดเป็นลุกตะวัดาก็าได้ปดดุ่มตะวดาวเขได้หรือว่าถึงสมาธิเล็กน้อยไม่ใช่ไม่มีอานิสงส์ถึงสมาธิเล็กน้อยถ้ามีก็ท่านบริษัทท่านใดทําไปเรื่อยๆสลับกันไปแบบนั้นไม่ชา้าจิตจะเริ่มทรงตัวตเวลาที่ทําก็ต้องระมัดระวงังย้ายเคลื่อนไป จงอย่าฝืนคำแนะนำเขาอองคาสมเด็จโตสัมมาสัพพุทธเจา้าที่ทงเทศกันแรกกับปัญญวัคคีเรษีทั้งห้ามีท่านยากรัญญาเป็นประธานที่านืกล่าวว่าพิกาวีดูก่อนสุ่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละส่วนสุดสองอย่างกันหนึ่งอาจาัจฉริยปถานโย ก, กับการระสุขันิการเโยกจงใช้มัชฌิมาปฏิปทา ถ้าจิตขึ้นเธอคล่องในโซ น, น, นส่วนตุวสองอย่างคืออย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าอัศจรรยรธรรานิโยโอดีเกิดเครียดเกินไปปฏิบัติตัวนี้เครียดไปแค่รมหนักเกินไป เ, เร่งรัดมากเกินไปการสุข ก, การิกานิโยโคนาที่ทําสมาธิอยู่อยากได้เกินไปอยากได้ทานชั้นนั้นอยากได้ทานชั้นนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ขณะที่ภาวนาอย่างนี้จะบอกว่าจะไม่มีผลในการปฏิบัติเลย ต้ใช้มัชชิมาปฏิบัติคมอลมกลางๆลมการได้าการุณสบายๆอะาดาที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีพิจรารณาเคือคิดถึงธรรมะที่เจ้าทรงสั่งสอนก็ดีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิบัติถ้ารมณเริ่มกุ้มจิตเรื่องกระสับกาศาศาระส่ายกดว่าไม่อยู่ให้เลิกก็ทันทีอย่าฝืน <c oughs> หรือว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้น เวลาหลังถ้าอารมณ์ใจสบายแล้วก็พอใจเรื่องทาใหม่ ย, ย่างนี้จะไม่เสียผลแต่ว่าจิตพุ้งสร้างและจะกดอ<ไ>ารมณ์ไม่อยู่กดไม่อยู่ก็ทําหนักขึ้นอารมณ์จะกุ้มจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นโรคสมรษานต่เรื่รองความว่าเป็นเรื่องเล็กเล็ก็น้อยที่บรรดาแต่พุทธบริษัทน่าจะคิดแล้วก็กจับแต่คิดจํำมาไปปฏิบัติจะถือว่าเวลาเล็กน้อยนิดหน่อ ย, อ ย, อยก็มีหลายท่านบอกว่า สมาธิไม่ได้เพราะจิตฟุ้งซ่านความจริงใ น, นการฟุ้งซ่านของจิตนั้นมันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคา ม, มีจิตก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าอนาคา ม, มีแล้วจิตอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่แต่ฟุ้งไม่หนักฉะนั้นขกข้านพนัญจะพระธรษมวิสัชฌจงคิดว่าสมาธิคือความดีความดีที่เราทําได้ก็จิตน้อมไปในบุญส่อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่เราแนะนำกันให้ภาวนาเพราะถ้าต้น อ, อยู่บ้านจะไม่ภาวนาแหละ ว, วันนี้เราจะไม่ภาวนาแล้วเราจะคิดคิดว่าตอนเช้าเคยใส่าบาตรกับพระเมื่อตอนเวลาค่ําเคยบูชาพระเราเคยไปฟังเทศที่วัดโดนเคยไปทําบุญที่วัดนี้ตึกทีกทก่บุญกุศลอย่างนี้ต่อเวลาจงกว่าะจะหลับถคาถามว่าอย่างนี้เป็นสมาธิไหมก็ต้องตอบว่านี่เป็นสมาธิ ก็จิตน้อมไม่ได้กูโสดสมาธิเนี่เขาต้องการให้จิตน้อมไปได้กุศลฝ่ายเดียวถ้าจิตนึกถึงการฟังเทศฟังเทศนี่ไได้สามอย่างฟังเทศจะรู้สึกถึงน้ำโมนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติไม่คิดว่าว่าทำกรรมสอนสอนในพระเจ้ทาทรงเทศไว้พระสงฆ์นํามำแสดง นึกว่าเป็นพระธรรมคาสองพระเจ้าเป็นพุท ธ, ธานุสติโดยเป็นธรรมานุสติโดยพระธรรมเป็นธรรมานุสติท่านนึกถึงไร้ส่งที่แสดงธรรมเป็นสังขารนุสติเรานึกไม่ต้องภาวนานึกถึงภาพนั้นอยู่กว่าจะหลับไปอย่างนี้ก็ถือว่าทรงในรงอนุสติสามอย่างคือพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคณิส่งใหญ่มากอันนี้นึกถึงทางการบริจา ทำนึกว่าการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์อย่างนี้เป็นจาร ท, ทานุสปติกรรมฐานนึกอยู่ไม่ภาวนานึกถึงภาพเราเคยเดินไปเจียงคนโอดอยากมีความหิวโหวยเราช่วยซื้อข้าวแกงให้ซื้อกนมให้ตามกําลังที่จะพช่วยได้ไอสัตว์มีความโอดอยากมีความสงสยัยก็หาของให้ตามที่จะพึงให้ได้ อย่างนี้ท่าเรียกว่าจาคารุติ ก, กรรมฐานกับทานบารมีสองอย่างควบกันแต่ว่าเป็นนึกว่าเราเคยใส่บ่ายกับพระเคยถว้ของกับพระอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสองอย่างเป็นจาคานุติกรรมฐานกับทานบา ร, รมีด้วยและก็เป็นสังขานุติกรด้วยเพราะนึกถึงพระแค่นึกไม่ต้องภาวนาก็เป็นผลขณะที่นึกอยู่นั่นเป็นสมาธิควารกิงการสุสมาธิพระเจ้าต้องการอย่างนี้ ต้องการพยายามปกติพยายามว่าทั้งที่ไม่ต้องภาวนาก็นึกว่าสิ่งใดที่เป็นผุ้สนเรานึกทึงสิ่งนั้นให้จิตมันชินในเมื่อจิตชินแล้วก่อนจะตายขณะที่ป่วยหนะักเวลาป่วยจะตายป่วยมันใกล้จะตายเรียกป่วยมากขณะใดถ้าอยากป่วยหนะักเมื่อเริ่มป่วยใหม่ๆ ม, มันยังไม่หนักให้สังเจตว่าเวลานั้นเริ่มป่วยใหม่จิตจะรู้ตัวได้ผุ้สน อารมณ์รนจะเป็นสุขจะไม่เกาะ อ, อย่างนอนอย่างนี้เขจะไม่ยึดถืดดอในทรัพย์ถิ่นใดๆจิตจะวางใจจะมีมลมโปร่งคิดว่าชี่นิตร่างกายเขาจะตายสมบัติใดจะคงมีกับเราใจสบายถ้ามีลมใจสบายอย่างนี้สันติกว่าตอนนั้นเป็นสังขารุเปกขายานถ้าลมสังขารเปกขายานวางอย่างนี้นะว่าคิดว่าร่างกายจะตายาทปเรื่องธรรมดาของมัน เมื่อเมื่อเราจะตายแล้วทรัพย์สมบัติตใจของเราก็จะไม่มีนันเมืม่อเราตายแล้วทรัพย์สมบัติติดตามไปไม่ได้ใจก็วางในในทรัพย์สมบัติอย่านี้จัดเป็นสังขารเปลีขายานมันจะเริ่มทรงตัวในน้อยจ่าย ก, การมากขึ้นสังขารเพล่ยขายายก็จะหนักขึ้นจะจะมีรมวางเฉยมากขึ้นจ่ายการเป็นอย่างนี้ท่านตายเมื่อไรสนิพานธ์มานั้นไปไหมไม่ไปไม่ไป ไ, ไปอยู่บ้านเนยะ นี่ว่าถึงอารมณ์ปกติที่เราจเจริญกรรมาฐานน่ยการจเจริญกรรมาฐานอย่าลืมว่าอยู่บ้านต้องภาวนาไหมก็ต้องตอบว่าถ้าคิดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นบุญเวลานั้นไม่ต้องภาวนาก็ได้ทําใจให้มันเพลินกับสิ่งที่เป็นบุญบุญสขณะที่ใจเพลินกับสิ่งที่เป็นบุญบุญสนต้นนั้นเป็นฌานให้เลือกเอาว่าเราภาวนาเป็นฌานสบายใจหรือว่านึกถึงสิ่งที่เป็นบุญบุญสที่ทําแล้วสบายใจ อารมณ์ใจเราจะไม่เหมือนกันบางวันจิตใจชอบสงบวันนั้นถ้าใจชอบสงบเราต้องภาวนาต้องรู้ลมหายใจเข่าออกถ้าคิดมันจะสร้างเกินไปมันไม่ชอบอารมณ์ไม่สบายก็ต้องภาวนาถ้าบางวันอารมณ์ต้องการคิดเวลานั้นเราภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีมันจะไม่สบายจะมีระงงสร้างขัดกันก็คิดทังด้านสิ่ี้เป็นบงคลส่วอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างบรรดาท่านพุทธศาส น, นิกชนส่วนมากด้ยเกือบจะเป็นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนบอกว่าหวังนิพพานแต่ว่าเราจะไม่ภาวนาละก่อนจะนอนเลิกกิจกายงานแล้วคนนอน น, อ น, นึกไม่ภาวนาแทนนึกแทนภาวนานึกว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้ก็ไม่ิด้ความจดเดียว เพราะวันนิพพาน ม, มีความสุขก็ถอยหลังไม่นด้ความเป็นมนุษย์ว่าการ เ, เป็นมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราก็ไล่เบียยทุกข์กตัวเองว่าตั้งแต่เราจำความได้มามีส่วนไหนบ้างที่มีความสุขจริงความสุขที่ได้มาแล้วมันไม่ถอยหลังมีไหมมันก็ไม่มีไล่ไปและมาแล้วก็บองเห็นทุกข์ก็คิดในใจว่าในโลกที่เต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีก ให้ ค, คิดถึงความปฏิบัตดาแลับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิติถ้าหากว่าเคยได้ไปเคยใช้บิชาฤทธิชาเคยรู้ว่าตัวเคยเป็นทรรมดาเคยเป็นโภ ม, มาบ้านจะนึกดูว่าการเป็นทวดาก็ดีการเป็นโภมก็ดีมีความสุขทําไมเราไม่อยู่ที่นัน่นตลอดไปก็เพราะว่าบทบุนอุศนาบรารมีมันอยู่ไม่ได้จงกลับมาใหม่ กิเลสก็โลดหลงใจที่ว่ากายเกิดประนุษยอย่างนี้เขามีชาติเดียวคือชาติสุดท้ายตายเขาปฏิพันธ์ถ้าใช้รมนึกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตผู้ส่นนะถ้านาึกถึงสวรรค์ติดจิตมันติดแค่สวรรค์ตายก็ไปสวรรค์ถ้าเวลาคิดอยู่อย่างนั้นจิตจิตใจแค่พรมตายก็ไปพรมถ้าจิตใจคิดอย่างนั้นในจิตหวังนิพพานโดยเฉพาะเวลาตายก็ไปนิพพานพยายามว่ากิเลส จ, จะไม่หมดก็ต้องตอบว่าเวลาที่คิดถึงกิเลสมันหมด ขณะทีคิดอยู่อย่างนั่นกิเลสมันไม่มีคนที่คิดถึงนิพพานได้จิตต้องว่างจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะตายคนไข้ที่จะตายด้วยเวลาด้านทุกขเวทนามป็นครอบงำกิเลสต่างๆถ้าไม่กล้าแข็งจริงๆมันครอบงําจิตไม่ได้้ความเจ็บความปวดทุกเวทนาต่างมันเข้ามาบีบหัวใจที่จนท่านคิดอะไรไม่ออก ไอคิดเรื่อด้านความรักในกา้านด้านกามารวมมันก็คิดไม่ออกไอ้คิดอยากจะรวยมันก็คิดไม่ออกอยากจะไปฆ่าใครใหญ่ก็ใครก็คิดไม่ออกจะหลงไหลไป า, าันในทรพทัพย์สินต่างๆก็คิดไม่ออกคิดออกว่าฉันรูโ้โอ้ยโอ้ยอออโอ้ยนี่ไอ้นุ้ยเองแต่งงานกับบ้านโน้นไหมโอ้ยโอ้ย <laughs> ไปไหวไหมไม่ไหวเลย ไอ้หนูเอ้ยท้อเรื่อนี้มากไปเอาไม่ไปกดตัวนี้โอ้ยโอ้ยไปเว้ไว้เนียทุกเวทนามันมากอย่างนี้มเมื่อทุกเวทนามากกิเลสส่วนใดจะเกาะใจได้เวลานั้นกิิิกเลสทั้งหมดมันเกาะใจไม่ได้มันมีแต่ทุกเวทนาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าบังเอิญอารมณ์ใจของเราเวลาใดที่ทุกเวทนาเปล่าลงเกยดแทนที่จับกิเลสกลับจับผลิพานเป็นอารมณ์ ในร่างกายเต็มด้วยความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเป็นแค่นี้ไม่ต้องคิดมากแล้วมัก็โอยต่อไปเนเพราะอารมณ์มันว่างเรานิดกเรคิดถึงนี่ไปนะถ้าเจ็บใหม่ก็โอยต่อไปอย่างนี้ตายมาอะไรไป น, นี่ผ่านมานั้นตอนนั้นจิตว่างจะนเนกิรใช่ไหมควรจะจบได้เวลาเล็กสักเก้านาทีหรืแปดนาทีนะ ก็ขอสรุปยอดหรือสัโยุตอันนี้วันนี้ก็ขอแนะนําเรื่องลงธรรมดาธรรมดาตัวที่บอกว่าคิดแทนภาวนานเอ้ยนี่มีความสําคัญมากนะอย่าไปนึกว่าสู้ภาวนานไม่ได้เนยะตัวนี้เป็นทั้งสมถะวิปัสนารุน่นใช่ไหมตัวนึกทรงตัวอยู่นี่เป็นสมถะอารมณ์อยู่ในขอบเขตทุตธรรมะที่เราต้องการอันนี้เป็นสมถะ ความเข้าใจในเหตุผลเป็นวิทยาาสตร์ใหญ่ไดต่อที่ไปขอใชอารมณ์ เ, รเปรียบเทียบในสัญญอดสิถ้าบรรดาญาโยามพุทธบริษัทวันนีมีฟังท่านมาถามแต่ก็ไม่นั่งอยู่นี่มองเลห น, นแล้วมาถามว่าถ้าถึงแล้วจะมีจะรู้ได้ยังไงว่าถึงแล้วตอนนี้ลำบากเหนกันนะอย่างคุณเจนงวิ่งไปสิ ก, กิโลแล้วไม่รู้ว่าถึงนก็นแย่เหมือนกัน <laughs> เหนื่อยกับตายฮะ ไว้คิดไปถึงนานแล้วดีใช่ไหก็เชื่องชาลโกรีก็ไม่นพูดกันนะชาลโลกรีนี่อย่าหลงไหลฝ่ายฝันให้มากอยาคิดว่าเราต้องการทรงอารมณ์ชาลอันนี้ไม่แน่นอนชานนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เสี่อมให้สนใจโลกะะุตระให้มากโลกุตระก็คือพระโระสดาบัยกิทธาธรมีทั้งสองท่านในจักแสงโยตได้สาม คือหนึ่งสกายยุทธิทิสองวิจิจิชาสามธิรปตาปรามาสำหรับปะโวดาไปสกิทาคำมีอารมณ์สกายยุทธิทิตัดเล็กน้อยรือว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายวิจิกิจชาตัดได้คือไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจา้าวะธรรมแล้ก็อริยสงฆ์ยอมรับทัศถือด้วยศรัทธาแท้ ที่ะบาตรามาตตั้งสาสินไม่คงรเพาะอย่างเยี่ยงสิทธห้าโกกมดสิทรงความประสดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ประมาแต่ชีวิตอยอมรับสัตย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสองมีสินบริสุทธิ์ถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆถ้าถือว่าทรงอารมณ์ของมประสดาบันไว้แล้วเพราะว่าอยาประมาต อยากคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันถ้าคิดอย่างนั้นจะมีความประมาทมากเป็นไปเจับเถอก็คิดแต่เพียงว่าพระโสดาบันก็ดีสกิทาคา ม, มีก็ดีทรงอารมณ์ทรงทําแบบไหนได้เราก็ขอทรงกระทาแบบนั้นตามท่านเพือหนึ่งท่านคิดว่าชีวิตที่ต้องตายไม่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่ประมาทถ้าคิดว่าวันนี้อาจจะตายไปเสมอ พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ตั้งใจยอมรับนบถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ระเบียนทรงสินเนื้วยสุดไว้ใจตั้งไว้เพือิอผ่านสหรับพระนาคามีตัดสัญยาตได้อีกสองคือการมฉันทะกับปฏิฆะกามชฉันทะที่ตัดได้คือไม่มีความรู้สึกในกามารมณ์เลยเวคาอารมณ์โกรธจริงไม่มีผู้รนนาคามี วันนี้มีญาติโยมมาขอให้แก้ไขลูกชายเพราะลูกชายมันขี้โกรธมาโทฉันนีงแก้ตัวฉัไม่ได้เลยเห็ไหมเพยาะว่าไปแก้กันไม่ได้ตัวแก้เองเรื่องความว่าท่ายวนาคามีจริงๆรนะหนึ่งไม่มีความรู้สึกในการอารมณ์ไม่มีความรู้สึกจริงๆไปแตะต้องอะไรเข้ามือแต่ไม่ท่อนแล้วก็สองไม่มีอารมณ์โกรธจริง เพราว่าพระอนาคามีตัตโตโยเลยห้าสกายยติติวิธิจิจาริยปตะบรามัตติมชันทาบริคัสในด้านสกายยติติพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรากนดีร่างกายคนอื่นดีเต็มทีความโศกโศโครคมีความลังเกียจในร่างกายในตัวเองและรังเกียจในร่างกายของบุคคลอื่นนี่รียกว่าอนาคามีกระโสดาปัติสกิทาคมีอย่างนะ เราโสดาบาันสิกขาคารมียังไม่รังเกียร่างกายไม่ได้มีความรู้สึกว่ร่างกายนี้จะต้องตายถ้านาคามีที่รังเกียดร่างกายต่อไปเขาจะเป็นอราหันต์ตัดสัญญาณไดอ้อหคือตัดรูปราคะการูปราคะคือไม่หลงในรูปฌานก็ไม่หลงในรูปฌานทรงอยู่ได้แต่ว่าไม่หลงในไปฝันว่าวิเศษ ถือว่ารูปปั้นชัยกับรูปประชานี้ยังดีไม่พอแล้วก็ตัดมาณะการถือตัวที่ตนไม่ถือตัวว่าตัวดีกว่าเขาเล็วกว่าเขาทำตัวคล้ายถึงกันแล้วก็ตัดอุตจักร ค, คือความผู้ใซ่านเจิตจิตตั้งใจตรงเฉพาะนิพานตัดอวิชาัยรือความหลงไหลใฝ่ฝันนิมนต์สโ ล, โลกติวโลกตะพมโลกออกจากใจตั้งใจโดยเฉพาะว่าเราต้องการนิพานจุดเดียว ไม่ใชโดยพราะอย่างยิ่งแต่ถึงทหารจิตจะเป็นสังขารุปเปขฆายานันอนาาคารมีได้เป็นนิพิทายานเอยไม่รู้เรื่องเลยนี่นิพิทายานี่คือมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายในร่างกายของเราเราของเขาสังขารุปเปฆายันบาลานาาเฉยในร่างกายเฉในร่างกายเขาตนเองด้วยเฉยในร่างกายบุคคลอื่นด้วยเขาไม่เฉยร่างกายตนเองนี่มีความสําคัญ ถ้ร่างกายมันจะแก่เื้าธรรมดาที่ร่างกายมันต้องแก่พอมีความรู้สึกตัวอู่แล้วรู้ได้ว่าร่างกายต้องแก่เป็นธรรมดามีจิตไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายแก่ร่างกายเราจะป่วยก็มีความรู้สึกแล้วว่าร่างกายมันต้องป่วยเน้นไม่มป่วยก็ถือว่าเรื่องธรรมดาก็มันท่าสาหายก็หายไม่หายก็แล้วไปเพราะร่างกายจะตาย ถ้ามันจะตายจริงๆเนะี่ยพระหันคนจะสบายใจมากเพราะาท่านมีความรู้สึกรยู่เสมอว่านิพพานดีกว่าเมืองมนุษย์ไปคงไม่จะดีใจเพราะความตายเสมาอเลยและก็ไม่หนักใจเพราะความตายไม่เข้ามาเพราะเป็นสังขารปติข ย, ยันเฉยคุณแ ม, ม่ร่างกายจะส่งตัวก็ส่งไปอย่างจะตายก็เสิยนตายไปตายเมื่อไรเช่นก็ไปนิพพานเหมือ น, นั้นไม่อารมณ์พระหันเพราะมันได้ ย, ย้ายโยนบริษัทเวลาปฏิบัติ จะได้ทราบว่าพาเปพระอริยเจ้ากันไหนส่วนรมแบบไหนระย่หน่อยเวลาได้หนึ่งนาทีครึ่งว่าถ้าพระโสดาบันจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ลืมความตายชีวิตนี้มันต้องตายเพราะว่าคงไม่คิดทุกวินาทีอย่างที่พระเจ้าถามพระอนุนว่าอ น, นันทะดูก่อนอ น, นุนเธอนึกถึงความตายวันกี่ครั้ง ถ้าโนนกล่าวตุนว่าพระพุทธเจ้าเซึ่งความตายประมาณวันที่สิบครั้งถ้าโนนท้านเป็นโสดาบันพระพุทธเจ้ารู้อดัณฑาดูก่อนโนนห่างเกินไปแต่ทาคตเลือึ่งเลือซึ่งความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเห็นไหมต่างกันถ้าพวกเราเอาแค่วันลครั้งก็พอมั้งถ้าเปิดแล้วไม่ปิดก็ไม่ได้มันรั่วนะต้องปิดด้วยนะ ตอนเช้าลืมตาปับ๊บปืนนี้อาจจะตายก็ได้นะส่งความดีไว้ก่อนจะหลับให้หลับแล้วมันจะไม่ได้ตื่นก็ได้นะนึกถึงความตายนะให้เราส่งความดีเอาแค่สองข้างกระพร้บเปิดแล้วก็ปิดจะลุกปิดนะถ้านึกถึงความตายให้เป็นโมติจิตจะไม่ประมาทจิตก็คิดสร้างแต่ความดีอย่างเดียวที่ทุกคนถ้าหวังปานิพัน์ก็ไปขอไม่ยาก เราคิดว่าชีวิตถ้าเกิดเพื่อตายตายเพื่อเกิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์อามความสุขมันมีเราไม่ต้องการอีกไอ้คำว่าไม่ต้องการมันอีกจะมีความสาคัญมากไม่ต้องการร่างกายอีกหมีความสำคัญมากพือว่าอธิพานสาคัญตัวนี้ตัวเดียวสกายเจดิติตัวเดียวเป็นตัวอย่างที่แต่งสอนพระภัยยะว่าภัยย ะ, าายะเ อ, อจงอย่าสนใจในรูปคือร่างกายก็คือรูปวกที่เรามองอีิเราไม่ต้องการไม่อีกแค่นี้ ตมพระบาลีท่านสุดท้ายประเริคุณว่าเตชสังวูปตโมตุโขกายเข้าไปสงบกายนั่นจะมีความสุขใช่ไหมขาว่าสงบกายหมายความเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราไปแล้นคือิม่าปพะบันดายญาติโยมพุทธบุตรัสทุตตันเลยเวลาที่ทีตอนนี้ไปกอทุุท่านสั่งใจสมาทานชินะมาทานกนารรมฐานอที่จ ะ, จะไปบุญจะไวไ